บุ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าต้องการอยากดิฉันต้องการเตียง ดิฉันอยากนอนยาโฮชูสปาว์ติที่นี่มีเตียงไหมอิมัลีโอ e เด e รีเดิฉันต้องการโคมไฟยาเทรบัมหลามปูดิฉันอยากอ่านหนังสื อ, อยาโฮชูจีตาต ที่นี่มีโคมไฟไหมอิมัล o ี่ของเดลามปดิฉันต้องการโทรศัพท์ยาเทรบัมเทเลโฟนดิฉันอยากโทรศัพท์ยาเจลิมทีที่นี่มีโทรศัพท์ไหม i m มลัล o ี <Tele> ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปยาเทรบัมคาเมรูดิฉันอยากถ่ายรูปยาฮอชูฟโตกราฟิสาติที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมอิมาลีออฟเดคาเมรา ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ยาเทรบัมคอมพิวเตอร์ดิฉันอยากส่งอีเมลยาฮอชูดาพอเลเลมอีเมลที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมอิมัลลี่ออเดอคมพิวเตอร์ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นย ตระแบมเขมิสกูอลูบกูดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยย h хочу да пишем нечто ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมมีมาลีโอวเดลิสต์ปาปีราและเขมิสก้าลก